ซีดีรวมธรรมปัญญาปีพุทธศกราช2553ชุดนึกอะไรก็ได้ทำทุกทีโดยพระพรมพุนาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม เรื่องที่สิบเขาไม่มีศรัทธาแล้วเขามีปัญญาหรือเปล่าพูดคุยกับพระนวะกะเมื่อวันที่7ปีนาคมพุทธศักราช2553ก็มาคุยกันต่อ ก็ใช้วิธีเดิมแหละคือบอกว่าไม่มีเป้าหมายอะไรแน่นอนมาคุยกันได้พบปะสนทนาปลาัยกันบ้างแต่ถ้าไม่มีอะไรก็จะถามไทยคือเท่าที่ฟังดูเขาที่เล่นเนี่ยคล้ายๆว่าบางท่านเนี่ยเคยมีพื้นได้ศึกษาคนควาเรื่องธรรมะมา เอาจริงอดจังเหมือนกันนี่ฟังฟังดูเนี่ยก็เลยว่าเออถ้าท่านไม่มีอะไรก็อาจจะคุยกันเรื่องของการศึกษาค้นคว้าอะไรบ้างในท่านท่านมีอะไรจะถามก็ถามมามีอะไรมกลับเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเอ่อผมจะถามในเรื่องของคนที่ไม่มีศรัทธา หรือว่าครลิฮัตที่ไม่มีศรัทธาเราจะน้อมนําเขามาในทางธรทำยังไงดีหรือว่าเราจะมีวิธีชักจูงเขาโดยวิธีไหนดีครับซึ่งคนที่ไม่มีศรัทธานี้ครับเขายึดติดกับวัตถุมากๆหรือว่ายึดติดกับตัวเองมากๆครับก็มีปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกในกรณีนี้คล้ายๆว่าปัจจัยภายในไม่เอือ้อ เขาไม่ได้มีพื้นความสนใจไม่ได้มีความใฝ่ใจของตัวเขาเองนี่เราก็ไปปรารถนาดีต่อเขานี่เราเป็นผู้ปรารถนาดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกก็ลเลยจะไปคูณเขาได้อย่างไรถ้าใช้สับพระก็เรียกว่าไปเป็นกัลยาณมิตรนี่การที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยก็ต้องดูว่า ความเข้มแข็งความพร้อมของตัวกัลยาณมิตรเองแค่ไหนแล้วก็ไปโยงกับปัจจัยภายในของเขาว่าเราจะไปมีทางที่จะโน้มอะไรเขาได้หรือเปล่าแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องทรงดูโอกาสดูความพร้อมอย่างพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นผู้ที่ทรงมีความสามารถในการสอนอย่างยิ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยพระองค์เรียกว่า ถ้าพระ อ, องค์ไปเป็นปัจจัยภายนอกกับใครก็เรียกว่าดีที่สุดแหละแต่ไม่ใช่ว่าจะทรงสอนในทุกคนได้ไงใช่ไหมพระ อ, องค์จะสอนใครพระ อ, องค์ก็ต้องดูเขาพร้อมไหมไม่ใช่อยู่ๆจะไปสอนนะแล้วเพราะความสามารถในการสอนเนี่ยพระ อ, องค์ก็หนึ่งดูเขาเน่แงมุมที่ว่าจะเข้าถึงกัน สองก็ดูความพร้อมแล้วถ้าไม่พร้อมเนี่ยจะต้องมีวิธีการในการสร้างความพร้อมอีกนะคือไม่ใช่จำเป็นจะต้องรออย่างเดียววิธีทางพระเนี่ยที่พระเจ้าใช้ท่านเรียกว่าบ่มอินรีคือว่าต้องดูคนนั้นอินรีพร้อมศร <c oughs> ัทธาเขาแค่ไหนความตั้งใจเจตนาอะไรต่างๆปัญญาทั้งหมดแหะ มันมีแค่ไหนที่จะพร้อมพระพุทธเจ้าก็ถ้าเขาไม่พร้อมพระองค์ก็ต้องหาวิธีบ่มอินรีศัพท์สมัยนั้นยังก็บ่มอินรีบ่มอินรีก็พระพุทธเจ้าก็อาจจะให้สภาพแวลอ ม, มาเอือ้อเช่นอย่างภิกษุบางองค์เนี่ยเอออาจจะให้ไปอยู่ในที่สงบหรือว่างั้นก็บางคนเนี่ยไม่เหมาะกับการไปอยู่ในที่สงบ บังองค์จะไปขออยู่ในที่สงัดไปอยู่ป่าพระพุทธเจ้ากลับส่งห้ามบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยควรจะอยู่ในสงก่อนสงก็คืออยู่ในหมู่กันนะตัวเขาเองเขายังดูไม่ออกเลยนะแล้วเคยมีพระบางองค์เนี่ยตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปแล้วระหว่างทางน่ยไปเห็นสถานที่บางแห่ง เป็นป่าแม้ดูดีเหลือเกินใจเกิดชอบเฉพาะหน้าอยากจะไปนั้นพอมาตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาถึงจุดหมายแล้วได้โอกาสก็กลับทูลว่าเนี่ยระหว่างทางได้เห็นที่นั่นที่นั่นดีเหลือเกินข้าพระองค์อยากจะขอไปพักที่นั่นอันนี้เป็นความชอบใจเฉพาะหน้าเจ้าตัวที่จริงไม่พร้อมหลวพุทธเจ้าทรงทราบ พ, พอทรงเห็นมาอยู่แล้วองค์นี้ องค์ ก, ก็ตรัสว่าอย่าเพิ่งเลยเธออยู่ในสงก่อนเธอองค์นั้นใจกําลังแรงกําลังมุกขออีกนะีเป็นครั้งที่สมพอถึงครั้งที่สามพระพุทธเจ้าจะทรงปล่อยก่อนก็จะให้เขาไปได้ทดสอบตัวเองแต่นี่เท่ากับพระองค์ได้เตือนแล้ว น, ะนี่ทังก็ไปไปอยู่สักพักหนึ่งไอ้ใจแรงที่มันเฉพาะหน้านะี่มันก็เบาไป ไอตัวความไม่พร้อมข้างไหนก็โผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไม่ไหวในที่สุดก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยสํานึกมาสารภาพว่าท่านไม่พร้อมแล้วก็อันนี้ก็เป็นการที่บ่มอินทรีย์อย่างหนึง่งอ้าวก็คือเขาได้ไปได้ตรวจสอบตัวเองได้ทดลองการทดลองนี้ก็เป็นการพัฒนาตัวอย่างหนึง่งก็เป็นการฝึกไปด้วย แลพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้โอกาสนั้นในการที่จะได้ตรัสแสดงอะไรเพราะเขาไปนั้นก็เท่ากับทดลองก็มีประสบการณ์ประสบการณ์นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ทันใช่ไหมก็เอามาใช้ในการที่จะสอนเขาก็ทําให้เขาก้าวหน้าไปได้อีกนะการลองผิดลองถูกบางทีก็เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ผิดแบบเสียหายนะอย่างนี้เรียกว่าผิดแล้วก็มันกลายเป็นบทเรียนไป เพรนั้นการที่เราจะไปหวังดีปรารถนาดีอะไรต่อใครเนี่ยเราก็ต้องดูเหตุปัจจัยทั้งภายในของเขาและภายนอกทั้งตัวเราเป็นต้นหรือถ้าเราเองยังไม่พร้อมเราก็อาจจะต้องอาศัยท่านผู้อื่นมาช่วยเนี่ยว่าแทนที่จะเราเข้าไปทําเองเราก็แนะนําเขาให้อย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่อย่างพ่อแม่เงี้ยบางท่านก็ปรารถนาดีแต่รู้อยู่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เอาด้วย ก็ต้องชักจูงได้วิธีที่ให้ท่านได้พบกับสถานการณ์บางอย่างหรือได้พบกับบุคคลบางคนที่เราเห็นว่าจะสามารถทำให้เกิดแรงจูงใจหรืออะไรขึ้นมาเพราะนั้นเรื่องนี้ซับซ้อนพอสมควรไม่ใช่จะพูดได้ไงนะ่ายๆนะเเรียกว่าพูดอย่างรวบรัดก็มีปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอก ถ้าปัจจัยภายนอกก็มันก็คือว่าเราเป็นผู้จะเริ่มตัวเป็นปัจจัยภายนอกเราพร้อมแค่ไหนแล้วนอกจากตัวเราแล้วเราจะอาศัยปัจจัยภายนอกอื่นมามาเป็นตัวเกื้อกูลได้ไหมเนีแทนที่จะเข้าไปทําเองก็หาปัจจัยภายนอกอื่นมาเอื้อดีกว่าไม่จําเป็นจะต้องทําเองแล้วก็หรือบางทีเราอาศัยปัจจัยภายนอกนั้นมาเป็นทางเป็นช่องทางให้เราเพื่อเราจะได้เดินได้เนี่ย อันนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดมากเหลือเกินตอบอะไรเด็ดขาดไม่ได้หรอกนะีจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติเฉพาะแต่ละกรณีนี้ต่างๆกันไปมากเนะีเรื่องเดียวกันเข้ามาคล้ายๆกันเนะี่ยแต่พระพุทธเจ้าใช้วิธีคนละแบบบางคนมาถึงก็ด่าด่าด่าด่าไม่ชอบพระพุทธเจ้ า, จาโกรธด่านะเอาพระพุทธเจ้าไม่ว่าอะไรเนี่ยนะ สมฟังพอเขาเหนื่อยหมดแรงว่าแล้วก็เคยว่ากันอีกทีเพราว่าเหตุที่จะทําให้เขาโกรธมันก็มีหลายอย่างอย่างท่านคืออาจจะเคอออยอ่านยังในตระกูลพราพรามนี่เขถือตัวว่าเขาถือว่าเป็นวรรณะสูงสุดกษัตริย์กับพราหมณเนี่ยสองวรรณะเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ถือตัวว่าสูงแต่พรามณ์นี่เขาถือมาก่อนเพราะเขาเป็น เจ้าของระบบอันนะะเพราะว่าเขามาจากพระพรหมโดยตรงก mm ็ hmm. ถือว่าอย่างนั้นพระพรหมให้เขาเป็นคล้ายๆเป็นผู้แทนพระองค์เลยน mm ั hmm. ่นเขาก็ถือว่าเขาสูงสุดอ่าเขาก็ถือตัวว่าดัง น, นั้นยากที่จะให้เขานับถือนี่อย่างแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันก็ขัดกันตั้งแต่สมัยโน้นแล้วมาเฉพาะสมัยนี้เนะี่ย อย่างราหนึ่งพรามมณีนับถือพระพุทธเจ้ามากขนาดที่ว่าเป็นคนแก่และเวลาทําอะไรพลาดนิดหน่อยอุทานมาเป็นนโมตัสสะว่าไงทำอะไรพลาดพลัง้งกันนโมตัสสะสามีเป็นพราหมณ์นี่โกรธจริงๆได้ยินนโมตัสสะทีไรก็แม่ไมใหญ่นี่มันทําไมมาอุทานทป็นนโมตัสสะวันหนึ่งก็คิดบอกข้าจะต้องปราบให้ ศาสดาของแกส่สัทีเนะก็วันหนึ่งก็พอนะโมตัสสะก็อดร่นทนไม่ได้บอกไปแล้วข้าจะไปแล้วพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเพราะความโกรธก็เลยไปยืนว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงหยุดกําลังแสดงธรรมทรงฟังไ้่จัดว่าอะไรพรล่าเขาว่าไปจนกระทั่งหมดแรงหมดถ่อยคําเขาก็หยุดเอง พระพธเจ้าก็ทักถ่ายปราศัยดีๆนะแล้วก็โดยพราหมณ์ไม่รู้ตัวหรอกพระองค์ก็ตรัสถามเออพรามณ์ท่านมีคนเคยไปหาที่บ้านไหมพราม์ก็นึกว่าพระเจ้าคงดูถูกเราว่าเราเป็นคนปากลายนี่คงไม่มีใครอยากไปหามีสิทำไมจะไม่มีนบอกเออแล้วก็ เวลาเขาไปหานี่ท่านเอาอะไรมาต้อนรับเขาไหมอู้ฉันก็ต้อนรับสิมีน้ํามีอะไรแต่เลยเขาก็เขาก็เขาก็มาเยี่ยมเยียนท่านเสร็จแล้วที่เขาก็หมดธุระแล้วก็กลับไปแล้วก็ของที่ท่านเอาไปต้อนรับเขาเนี่ยเป็นของใครอะ่ะเขอบอกอเขาเป็นของฉันนะที่จะเป็นเจ้าของบ้านเลยขาไม่ได้กินเขาไม่ได้ดืม่มบอก็เนี่ยที่ท่านมา ด่าข้าพเจ้าอันนี้เนี่ยข้าพเจ้าไม่รับข้าจบพุสันนี่เอ้าวยังไงก็ไปโคงตัวหมดนก็เลยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เริ่มอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดับอารมณ์แกแล้วค่อยคุยกันคุยกันไปคุยกันมาก็พรามก็เลยเรื่อมใส มีวิธีต่าง ๆ, ๆที่เขาด่านี่มีเยอะนะในคำภีเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้านี่บุกเบิกคือในยุคนั้นนะพรามก็เป็นเจ้าถิ่นเลยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในสังคมเพราะฉนั้นเขาก็ไม่พอใจมากแต่ว่าพรามก็ปัญญาชนสูงสุดในระดับนได้นนระดับสูงสุดของสังคมนั้นหลยพระพุทธเจ้าก็รงกลับใจพรามเนี่ยมากมาย เห็นว่าภาษาวกที่ยิ่งใหญ่อย่างอักรสาวกนี่มาจากพรามทั้งคู่ใช่ไหมสารีบุตรพระโมคคัลลานะมหากัสปะประธานสังเงนานก็พรามพระอะไรตะไรพรามตุธนพปัญญาชนเก่านี่พื้นฐานเขาดี <t> พอมาก็พอหันมานับถือพุทธสอดสนาก็กลายเป็นกำลังใหญ่พอ ร, รู้เข้าใจรู้เข้าใจสังคมรู้ เข้าใจสถานการณ์ลุยทีอธิบายอะไรต่างๆหมดง่ายเลยก็กษัตริย์ก็มีประสบการณ์เป็นผู้ที่อยู่ในขั้นสูงของสังคมก็เป็นผู้ที่ทำงานให้ศาสนาได้มากเหมือนกันเพราะนั้นสาวกผู้ใหญ่ก็นอกจากพรามในอดีตก็มีกษัตริย์นนึแล้วก็หอคา ว, วานิดเป็นวันณแพทย สูตรก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากน้อ ย, <c oughs> อยก็อันนี้ก็เป็นธรรมดาเรื่องก็เป็นมาอย่างเงี้ยบางคนก็มาดา่าเขาก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นปัญญาชนเขาก็รู้พวกถ้อยคำรู้ประวัติศาสตร์รู้อะไระต่างๆเขาก็สรรหาหพวกหลักวิชาอะไรต่างๆมาพูด ที่เขาใช้ถ้อยคําสูงสูงในสังค ม, มเขาในวิชาการเข า, า่าว่าพระุธเจ้าก็ใช้วิธีบางทีพระบางทีนะบางทีพระองค์ก็รับหมดเขาว่าอะไรมารับหมดดาเมาก็รับเออถูกถูกถูกถูกพอเขาว่าจบแล้วพระุธเจ้าก็เอาแล้วนะที่ท่านว่ามันเนี่ยฉันก็รับว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความหมายที่ฉันว่าเนี่ยมันไม่เหมือนของคุณ นะทีนี้ท่านจะพูดให้เธอฟังบ้างนะนะและพระเจ้าก็อธิบายถ้อยคำที่เป็นวิชาการแต่ละคำมันมีความหมายได้อย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านว่าอย่างเนี้ยมันไม่คำว่าเจ้าเป็นได้ในความหมายอีกอย่างแล้วก็ว่ากันไปยังกระั้งเขาเห็นพระปัญญาขา อ, องพระองค์ว่ารู้ดีกับเขาในเรื่องของเขาเองนะ จะยอมรับนับถืออะไรไปพบกับเขาบางทีพระองค์ก็เอ้าคือเขาก็ถามอะไรพระองค์พระองค์ก็บอกเนี่ยมันเหมือนกับเราคนละแนวคนละลัทธิคนละศาสนามันก็เข้าใจคนลอย่างนั้นเอาคุยกันในเรื่องของท่านเองในเรื่องลัทธิของท่านเองก็เลยพูดในหลักลัทธิของเขา ก็กลายเป็นว่าพุทธเจ้ารู้เข้าใจเรื่องของเขาและเห็นแง่มุมอะไรต่างๆที่เขามองไม่เห็นเขาก็เลยเริ่มใส่อย่างนี้เป็นต้นนันเรื่องนี้ไม่ใช่เรอตอบง่ายๆนะแต่พุทธเจ้าจริงต้องมีญาตเกี่ยวกับการรู้บุคคลเรียกวรู้ความแตกต่างของคนเนี่ยมากรู้อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าอันนึงก็คือรู้ความแตกต่างรวม แล้วรู้ความแตกต่างว่าบุคคลก็อย่างน้อยสองด้านแนวตั้งกับแนวนอนความแตกต่างแนวตั้งก็คือพัฒนาการของเขาในที่เรียกว่าอินซียมีอินทรีย์แก่กล้าขนาดไหนเช่นว่าปัญญานะระดับไหนความรู้เข้าใจนี่เียกวระดับเป็นเป็นแตกต่างแนวตั้งนะพัฒนาแนวไหน พัฒนาแนวนอนไอ้ไม่ใช่ความแตกต่างแนวนอนแนวนอนก็คือความโน้มเอียงความรู้สึกความสนใจความพอใจอันนี้ก็สําคัญคนมีการศึกษามีปัญญาระดับเดียวกันแต่ว่ามีความรู้สึกมีแนวโน้มความสนใจไม่เหมือนกันนะพระเจ้าก็จะต้องส่งทราบทั้งสองจึงจะตรัสธรรมะได้เหมาะแล้วก็จี้จุดได้นี่ แล้วพระ อ, องค์ก็มีความสามารถในการดูคนเนี่ยปั๊บเดียวก็รู้แหละนะบางทีก็อย่างในการถามตอบปั๊บเดียวรู้แหละคุยกันถามอะไรไปนิดนิดเดียวเขาตอบมารู้แหละ ว, ว่าเขาแค่ไหนอย่างไรสนใจอะไรใช่ไหมก็ไปได้พอเขาถามมาสักครู่เดี๋ยวพระ อ, องค์จะกลายเป็นผู้ถามเขาไม่รู้ตัวถามมาเดียวพระ อ, องค์ก็คุยไป สนนาไปเอกกลายไปพระพุทธเจ้าถามสิเลวนะ่าถามไปถามมากลายเป็นเขาตอบตัวเองโนะตลงไอ้ที่เขาสงสัยเขาตอบตัวเองเสร็จจบด้วยการที่เขาเข้าใจด้วยการตอบตัวเองนะอย่างนี้มันมั่นใจดีเพราะเขาตอบเองชไัไม่ต้องไปมัวอธิบายว่ากันวุ่นวายหมดเข้าใจหรือยังมาเข้าใจยั ง, ยงไรกนะ็คุณตอบเองอธิบายเองอืม ถ้าก็ต้งเรียนวิธีในการที่จะเข้าถึงใช่ไหถ้าจะช่วยคนอื่นต้องพร้อมเหมือนกันนะถ้าเราไม่พร้อมจริงๆเราก็ใช้วิธีที่ว่าหาสื่ออื่นมาช่วยเราก็หวังดีแต่ว่าแน่นอนก็คือพื้นใจเรามีความปรารถนาดีต่อท่านทู้นั้นอันนี้ก็เป็นทุนใหญ่เลยมีความหวังดีปรารถนาดีต่อเขาแต่ว่าต้องดูความพร้อมทั้งสงฝ่าย จะพอได้ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายก็บางทีก็อาจจะเป็นหนังสือ่งก็สือก็สื่ออันหนึง่งแนะนำถ้ามีโอกาสบางทีจังหวะให้เรานึกอยู่แล้วได้จังหวะเราก็แนะนำไปนี่หมดครับครับแล้ว ค, คนแบบกลุ่มเมื่อกี้สักครู่นี้คนกลุ่มนี้ก็มักจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมด้วยหรือเปล่าครับหรือว่า คนส่วนใหญ่จะเชื่อถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นคนที่ศรัทธาในศาสนาอ๋อในยุคพุทธกาลใช่ไหมในยุค ป, ปัจจุบันนะครับอ๋อครับปัจจุบันก็มันก็คือกรรมเนี่ยที่จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเรื่องของระบบเหตุผลนั่นเองนะแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจด้วยเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมเองมันก็คลาดเคลื่อนเยอะ จึงกระทั่งว่าเวลาพูดคำว่ากรรมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเขาเข้าใจคำว่ากรรมอย่างไรในความหมายไหนใช่ไหมออกลายไปว่าเข้าใจกรรมแบบลทัทธิพราหมณ์ก็มีเข้าใจกรรมแบบลทัทธินิครนมืก็มีเป็นพุทธก็จริงแต่ว่าเข้าใจแบบนิครนมืก็มีเพราะว่าการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยมันอ่ อ, อนย่อนยานห่างเหินกันเป็นนานเลย ง, งทั้งเพี้ยนกันไปมาก พอพูดว่ากรรมเนี่ยคนไทยก็ไม่ชัดแลยนะฮะเชื่อกรำไม่เชื่อกำไม้คําว่ากรรมที่เขาบอกก็เชื่อหรือไม่เชื่อเาก็ไม่เข้าใจเราจะไปได้เรื่องในราวอะไรล่ะไอ้สิ่งที่ตัวพูดตัาเชื่อหรือไม่เชื่อตัวเองก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยบอกว่ากรรมเชื่อไหมไอ้คาว่าเชื่อกรรมที่ตัวบอกว่าไม่เชื่อนั้นที่จริงไม่ใช่กรรมในพุทธศาสนาอ้าวก็ถูกแล้วไม่เชื่อก็ดีแล้วนีเท่ไอ้กรรมที่ ของพุทธศาสนาเองตัวเองก็ไม่รู้จักบางทีตัวเองอะไรเชื่อกรรมแบบพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่านั่นคือกรรมในความหมายพุทธศาสนามันกลายเป็นวุ่นวายหมดสังคมปัจจุบันสับสนถ้อยคําสับแสงในพุทธศาสนามันเลอะเลือนหมดเพราะเราห่างเหินไปเยอะไปนานเอาง่ายๆคนไทยเข้าใจคําว่ากรรมอย่างใหญ่อย่างไรฉันบอกว่าบุญกรรมแล้วแต่บุญแต่กรรมเนี้ยเออ ก็เข้าใจคําว่าบุญหมายถึงดีเข้าใจกรรมหมายถึงไม่ดีเอาแล้วนี่คือไปแล้วไปแล้วใช่ไหมเอากรรมมีความหมายเป็นเรื่องไม่ดีไปนี่นี่แล้วใช่ไมนิดหนึ่งนิดนึทีนี้ว่าเออคุณทํากรรมมไม่ดีก็กลมหนะ่ารับกรรมไปเถิดว่าไงนะอา่านี่หมายความว่าไงว่าไงครับกรรมในที่นี้ ก้มน่ารับกรรมหมาความว่าไงก็เขาเข้าใจคําว่ากรรมในความหมายว่าผลผลร้ายใช่ไหมอ้าวกลายเป็นเข้าใจเรื่องผลแหละในพุทธศาสนาแยกชัดกรรมก็กรรมผลกรรมก็ผลสิมันคนละตอนเอาละผิดอีกเมื่อกี้ก็เข้าใจแต่ในแง่ไม่ดีอสองเขาเข้าใจในแง่ผลสก็คําว่าทํากรรมมา ไม่ดีก็โน่นไปมุดถึงชาติก่อนอีกอ้าวกลายเป็นเรื่องอดีตกรรมกลายเป็นเรื่องอดีตกรรมก็กลายเป็นเน้นเรื่องอดีตโดยเฉพาะในชาติก่อนแต่พุทธศาสนานะคำว่ากรรมก็คือการกระทำเห็น ไ, ไหมเน้นปัจจุบันเลยเน้นที่ทำอยู่ดเดี๋ยวนี้การพูดการคิดการแสดงออกต่างๆนี่คือกรรมม แค่นี้ก็ยุ่งแหละคนไทยก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจกันความหมายของกรรมคืออะไรก็เลกยุ่งนะครับนะว่าจะเอาไงก็คือต้องมาอธิบายกันใหม่อย่างแม้แต่คาว่าเชื่อกำไหมเนี่ยในพุทธศาสานถาถ้าถึงขั้นพระไตรปิฎกเนี่ยปกติท่านไม่ใช้คาว่าเชื่อเลยเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องสำหรับรู้ไม่สำหรับเชื่อ รู้เพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยระบบเหตุผลต้องรู้หมายความว่าฉันไม่ง้อคุณคุณจะเชื่อไม่เชื่อกรรมมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นระบบเหตุปัจจัยคุณเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นใช่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงเคยพูดบอกว่าจะเชื่อกรรมหรือไม่เชื่อกรรม รมไม่ง้อคุณเจอรมไม่งอ้อใครก็ได้ในะแต่ทีนี้ ใ, ในรุ่นอัตถกถาอะจรจึงใช้กำว่าเชื่อเราก็มีหลักใช่ว่าให้เชื่อกรรมจนกระทั่งในสังคมไทยนี่ขยายไปเป็นเชื่อต้องชาวพุทธเนี่ยในสังคมไทยนะว่ามีหลักความเชื่อของชาวพุทธถึงก็บอกมีสี่อย่างกรรมารัทธาเชื่อรำเน พิปากัทธาเชื่อผลของกรรมกรรมมัสการศัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนแล้วก็มีตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อการรับรู้ของพบุทธเจ้าเนี่ยในสังคมไทยไปค้นดูเถอะไม่มีหลักสี่ข้อเนี่ยคนไทยถือกันนักแม่สี่ข้อนี่นึกก็เป็นจริงไม่มี ทีนี้ก็ต้องมาที่ายกันยุ่งสิกรรมสัทธาการวิกลาปากกรรัทธากรรมสกตากรรสัถานต่ า, า, างกันอย่างไรใช่ไหมมาเรื่องกรรมหมดเลยแยกแยะ ก, กันลําบากพิลึก mm. ที่จริงท่านก็บอกอา้าวท่าใช้คําว่าเชื่อเรื่องกรรมก็ใช้คำเนียะเชื่อคำว่ากรรมสัทธาแต่ท่านนิยมบวกไปเลยกรรมพรารมณัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมนีเลยข้อก็ไปเชื่อ พระัจตนตรัยและเชื่อตัากัตะโพธิสัต tha เป็นสองข้อตามคมภีรุ่นหลังหน้ารุ่นอัตถกัตใช้สองข้อแล้ว ม, มาถ่ายเป็นสี่ข้อแต่ในพระไตรวิฎกไม่นิยมใช้ศรัทธากันเรื่องกรรมใช้ปัญญาใช้ญาณความรู้เพราะเป็นเรื่องของความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยรู้กรร ม, มส ก, กตาเนี่ยในพระไตรปิฎกจะเป็นกรร ม, มสกตายาน กรรมสกตะปัญญาปัญญาหรือญาณรู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนในสมัยแต่กษาก็มีคำว่ากรรมสกตาสศัทธาอันนี้ก็เป็นความรู้เกร็ดๆให้เป็นประโยชน์บางเ น, นือันนี้มน์ครับ แต่ถึงแม้ว่าเขาเชื่อกันแบบผิดๆว่าบุญดีกรรมไม่ดีอย่างแบ บ, บที่เขาเชื่อกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ทำไมก็ ย, ยังคนยังหมั่นทํากรรมถ้าเขาเชื่อว่ากรรมคือไม่ดีเขยังทำหมัน่นทำกรรมไม่ดีกันอยู่เรื่อยเนี่ยแสดงว่าเขาต้องอาจจะไม่เชื่อหรือว่าแค่เชื่อในเชิงความหมายของมันในในเดฟเนเชันของมันแต่ว่าดื้ๆแล้วอาจจะไม่เชื่อก็ได้หรือเปล่าค <c oughs> รับเพราะว่าเขาก็ยังทํากรรมไม่ดีกันอยู่ครับคือบางทีก็เชื่อแต่ว่า ยังไม่มีกำลังใจเข้มแข็งพอเพราะว่าไอ้ด้านหนึ่งมันมีความปรารถนาะความอยากโลภโทสัยเนี่ยมันก็แรงใช่ไคล้ายๆว่าไอ้ผลอันนั้นระยะยาวเอาไว้ก่อนอผลต่อหน้านี่สาคัญเอาเอาก่อนอะไรอ น, นี้นี่ก็อย่างหนึ่งนะคือแรงความปรารถนาะความอยากหรือแรงกิเลสมันมาก ก็ยอมต่อกิเลสอันนี้พวกหนึ่งก็คือยอมต่อกิเลสอีกพวกหนึ่งก็คือความไม่ชัดเจนที่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็คือว่าทว่าตามหลักในขั้นพระตรปิฎกก็คือความรู้เข้าใจมันไม่เพียงพอเพราะว่าความเชื่อที่จะมั่นคงมันต้องอาศัยความรู้ใช่ไหมในฐานพุทธศาสนานี่ความรู้กับความเชื่อนี่ต้องอิงกันในขั้นสําหรับมนุษย์บุรุชนถ้าเราจะเชื่อใคร เราได้รู้อย่างน้อยรู้ว่าเช่นท่านผู้นี้พูดมานี่จริงเราก็เชื่อใช่ไหมแล้วก็ทําให้พลอยเชื่อต่อไปโอ้เท่าที่เราฟังมาท่านผู้นี้พูดนี่จริงเราเห็นได้หมดชักเชื่อใช่ไหมเนี่ยหมายความว่าความเชื่อเนี่ยอิงความรู้ทีนี้พอเชื่อแล้วก็อยากจะรู้เพิ่มขึ้นน ก็เลยทําให้ฟังเขาอีกใช่ไหมพอเชื่อก็เลยแหมยอยากฟังท่านพุ น, นี้จะได้อะไรจากท่านพุ น, นี้ก็ยิ่งรู้ขึ้นพอรู้แล้วโอ้ไอ ท, ท่าทตีท่านพูดจริงยิ่งพูดยิ่งเห็นจริงก็ยิ่งเชื่ อ, อนะเพราะนั้นกลายไปว่าไอความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานให้แก่ความเชื่อทําให้ความเชื่อยิ่งมันง่นคงแล้วพอความเชื่อมันอ่นคงก็ยิ่งช่วยให้เอาจริงเอาจังในการหาความรู้ยิ่งขึ้นเพราะนั้นในฐานพุทธศาสนาเนี่ยสำหรับมนุษย์พุรุชน จึงใช้หลักความรู้กับความเชื่อเนี่ยอิงอาศัยซึ่งกันและกันนั้นจึงเน้นสําหรับผู้ปฏิบัติที่มีข้อศรัทธาเป็นตัวนำนะศรัทธาเป็นตัวนําแล้วเสร็จแล้วก็ให้แสวงหาให้หนึ่งศรัทธามีกําลังพอเราเชื่อเนี่ยเราจะมีกําลังเอาจริงวจังสองมีเป้าหมายมีจุดแหละจะเอาอะไรยังไงใช่ไหม มีจุดหมายแล้วก็มีทิศทางไปตอนเนี้เดินหน้าไปดีแล้วก็ทีนี้ก็ก้าวหน้าไปในการพัฒนาปัญญาเพียงแต่ว่าเราจะต้องจับหลักให้ได้ที่ว่าให้ปัญญากับศ ร, รัทธาเนี่ยมาเป็นตัวปัจจัยเอื้อต่อกันไม่ใช่ศ ร, รัทธาแ บ, บตาบอดที่พระพุทธเจ้าติดเตียงก็คือศ ร, รัทธาแ บ, บตาบอดพอบอกไงแล้วต้องเชื่ออันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คีไม่เข้ากับพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงให้พิสูจน์ พระ อ, องค์ด้วยบอกให้พิสูจน์สดาเลยใช่ไหมอ้าวก็แล้วแต่พระ อ, องค์ไม่ได้ปิดกันสงสัยพระ อ, องค์ให้ตรวจสอบเลยเนี่ยก็แล้วแต่เขาแล้วทีนี้ก็เมื่อเขาเชื่อแล้วเนี่ยเขาก็รับฟังแล้วก็ฝ่ายผู้สอนก็จะไม่เอาศรัทธาเนี่ยมาเป็นตัวบังคับเขาไม่มีการศรัทธาเป็นบังคับ คุณต้องเชื่อนะที่ฉันบอกคุณแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ไม่เอาถ้าเชื่อแบบวิไัยในเรื่องนะนะคนคนละอย่างไอ้นี่เชื่อแบบทางหลักศรัทธาไอ้เชื่อแบบนั้นมันเชื่อแบบอะไร obedience ใช่ไม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แบบ belief เนะี่ยคนละเรื่องไม่ใช่แบบ faith นะ faith แต่พุทธศาสนาก็ปกติก็ไม่นิยมใช้เด้ยอย่างเวลาเราแปลศรัทธาเปภาษาอังกฤษเนี่ยผม ชาวพ mm to vale <ric an im> ุทธที Sugar ่เป็นฝรั่งหรือผู้ที่ชำนาญศึกษามากๆเนี่ยก็จะไม่ยอมแปลศรัทธาว่าเฟ i t h ผมไม่เข้ากันต้องแปลว่า confidence ให้แปลเพราะนั้นศรัทธาเราจะแปลว่า c o n f i d e n น e ์โดยทั่วไปก็เอาเป็นว่าศรัทธานี่จะต้องเป็นตัวอื้อกับปัญญาตัให้ศรัทธานั้นเกิดขึ้น โดยมีความรู้หรือปัญญาเป็นมูลเป็นตัวตั้งจุดเริ่มให้ก่อนแล้วให้ศรัทธานั้นเป็นตัวนำให้ก้าวไปในปัญญาต่อเนเพราะอย่างที่ว่าพอรู้เข้าใจเห็นว่าเป็นจริงน่าเชื่อเกิดความเชื่อขึ้นมาบ้างก็ยิ่งฟังยิ่งหาความรู้เอาจริงเอาจังมากขึ้นอย่างเงี้ยจะก้าวหน้าไปแต่ถ้าศรัทธาปิดกัน้นมาเชื่อแล้วอย่าถามอย่างนี้ก็จบกันปิดกั้นปัญญาไป นี่สำหรับชาวพุทธเราเนี่ยเรายังไม่ได้หลักนี่ใช่ไหมฮะศรัทธากับปัญญาเอื้อกันย่งไรเราก็ไม่รู้เรื่องนี่ก็ให้เชื่อพุทธศาสนาเชื่อพระเจ้าพระทัตมังเหให้เชื่อแล้วก็เคว้งคว้างอยู่กับเชื่อที่ไม่ชัดเชื่อจริงก็ไม่เชื่อรู้ก็ไม่รู้ไม่ไปไหนสักทางมันก็เลยไม่ได้เรื่องอ่ะมันก็ไม่กล้าดี่ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องหาทางแก้ให้มันเขาให้มันเข้ากระบวนการบ้างเออ บอกความเชื่อของคุณเนี่ยมีความรู้เข้าใจเป็นพื้นฐานบ้างไหมนะแค่นี้ก็แย่แล้วเราไม่รู้เรื่องเลยที่บอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเขากความหมายคำว่ากรรมก็ยังไม่รู้แล้วจะบอกเขาเชื่อกมหรือไม่เชื่อกรรมมันก็เอาอะไรไม่ได้เลยนะนะัตกลงก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่ทำความเข้าใจเลยกรรมคืออะไรนะกรรมก็คือเรื่องเหตุกับผล ในระบบการกระทําของมนุษย์คือไอ้ระบบเหตุผลหรือเรื่องเหตุปจัจจัยนั้นเป็นเรื่องทั่วไปครอบ<ม>คลุมหมดใช่ไหมแต่เหตุผลที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยจะเป็นเรื่องเหตุผลเกี่ยวกับการกระทํนานี<ม>น่นเป็นเรื่องส่วนของมนุษย์เลยที่เน้นมากเพรา ะ, ะนั้นเรื่องระบบเหตุผลเหตุปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยจะเน้นที่การการะทําเพราะเรื่องของมนุษย์ก็ เ, เรื่องการกระทำเนี่ยการทําพูดคิดก็เลยเน้น การกระทําเรื่องของการกระทําเรื่องเหตุปัจจัยในระบบนี้ก็เรียกว่ากรรมนั่นเอง<ม>กรรมก็คือระบบเหตุปัจจัยหรือระบบเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ในเรื่องของการกระทําเรื่องของความคิดการพูดการกระทําพำอันนั้นมันก็เป็นชีวิตของมนุษย์เลยใช่ไหมชีวิตของมนุษย์ก็เป็นไปในเรื่องกรรมนี้เองนอกนั้นแล้วมันก็หลายอย่างก็เกิดวิสัยของเขตของมนุษย์เลยใช่ไหม ในความเป็นไปของธรรมชาติเหตุปัจจัยไอ้นดินไหวที่นั่นเพราะอะไรนีอย่างนี้เป็นต้นเหตุปัจจัยแบบนั้นฝนตกฟ้าร้องอะไรนั่นก็เหตุปัจจัยแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยด้านกรรม น, น, นกะคกรรมก็คือระบบเหตุปัจจัยที่แคบลงมาในส่วนที่จำกัดเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ที่มีการกระทำมีการพูดการคิดและชีวิตของมนุษย์ก็อยู่ด้วยอันนี้แหละ อยู่ในเรื่องการทําการพูดการคิดนี่เป็นเรื่องของมนุษย์เพราะนั้นเราจรึงบอกว่ากรรมนี่ก็คือเรื่องของมนุษย์ใช่ไหมชีวิตของมนุษย์ก็อยู่กับกรรมนี้เองใช่มวันวันหนึ่งก็มีอะไรทําพูดคิดทาพูดคิดอย่นี้นั่ถ้าเราเข้าใจชัดแล้วเนี่ยโอ้มันเรื่องของตัวเราเองเลยกรรมเนี่ยที่เป็นอยู่ตลอดเราถ้าเข้าใจให้ชัดแล้วก็คือเราจะปฏิบั ต, ต, ติต่อชีวิตของเราได้ดีที่สุดถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมดีนีแต่ว่าจับให้ถูก ตอนนี้ชาวพุทธคนจำนวนมากในสังคมเนี่ยพอได้ยินคำว่ากรรมมันก็อะไรรอยอยู่ในฟ้าใช่ไหมฮะแล้ววันหนึ่งมันก็มาลงโทษเราถูกไหมคล้ายๆอย่างนั้นนะ่ะเออหมดผิดหมดวาสนาก็มึงก็รออยู่บนฟ้าเ น, นก็เป็นฝ่ายดีเนยก็รอวาสนาอะไรหมดเลยผิดหมดนะ วาสนานี่ก็ผิดลิบเลยเป็นตัวที่ชัดมากว่าคนไทยนี่เข้าใจวาสนาผิดบกแข่งอะไรแข่งได้อย่าแข่งบุญแข่งวาสนาก็เข้าใจว่าวาสนาเป็นเรื่องอะไรที่มาบัรดาลคล้ายๆทำนองนั้นใช่ไหมนี่พราะวาสนานี่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้เนี่ยละได้ทั้งกิเลสและวาสนาเอา้าวาสนามันดีทำไมพระพุทธเจ้าละวาสนา ไปคนละเรื่องเลยนะแต่คนเราเนี่ยอยู่ด้วยวาสนามากก็คงเข้าใจแลวใช่ไหมนะวาสนาก็คือในเรื่องความเคยชินในการพูดการทำอะไรต่างที่กลายเป็นลักษณะประจำตัวนะแล้วก็มีผลต่อวิถีชีวิตของตัวเราเเรา พูดอย่างเงี้ยสั่งสมการพูดแบบนี้มาชินมันก็เป็นวาสนาของเราตัวความชินอย่างนั้นนะการแสดงออกแบบนี้นะอย่างบางคนเนี่ยพูดเออออออย่างงี้ก็เป็นวาสนาเขานะบางคนพูดอ่อนโยนละมุนละไมเชื่องชาอะไรก็เป็นวาสนาของเขาเนะเขาก็สะสมมาอย่างนั้นนะี การเดินการเดินการอะไรต่างๆแม้แต่วาสนธรรงจิตใจเข้าไปห้างสรรพสินค้าเออมันมีร้านค้าหลายอย่างใช่ไหมตอนนี้จะเห็นวาสนาของคนถ้าไม่ได้ตกลงกันว่าจะไปร้านไหนพกเข้าไปแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็เข้าร้านโน้นคนนี้เคนหนึ่งเข้าร้านเสื้อผ้าคนหนึ่งเข้าร้านเครื่องสําอางคนหนึ่งเข้าร้านเครื่องเสียงคนหนึ่งเข้าร้านอะไรก็ว่าไปเข้าร้านเหล้าหรืออะไรก็นเลยแต่เนี่ยคือายตามวาสนาธรรม วาสนาเนี่ยเป็นตัวชักพาชีวิตเราจะมีปฏิกิริยาต่ออะไรต่อประสบการณ์อะไรอย่างไรคนเราไปเจอสิ่งเดียวกันเนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งนั้นไม่เหมือนกันบางคนผ่านไปไม่สนใจเลยบางคนไปเจอนัดติดอยู่นั่นเลยไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้มันมีผลต่อชีวิตเราใช่ไเพราะนั้นวาสนาเนี่ยจึงมีผลต่อชีวิตมากเราต้องมีวาสนาที่ดี สร้างความเคยชินก็คือกรรมที่ต้องสร้างที่เราต้องมีเจตจำนงที่ดีมีปัญญากั่นกรองไม่ใช่ปล่อยดัง น, นั้นถ้าเราปล่อยเรื่อยเปื่อยวาสนามันก็ไม่ดีดิมันไม่ได้เรื่องนะถ้าเราตั้งใจดีเราก็ขัดกล่าววาสนาวาสนาแก้ได้นะไม่ใช่ว่าคือจึงบอกว่าวาสนาไม่ได้มีไว้แข่งขันนะที่บอกว่าแข่งอะไรแข่งได้ แข่งวาสนาแข่งไม่ได้พราะวาสนาไม่ได้มีไว้สำหรับแข่งขันวาสนามีไว้สาหรับแก้ไขนี่สำห ร, รับปรับปรุงพัฒนาเราก็จะได้สำรวจตัวเองว่าวาสนาเราไม่ดีในแง่นี้ด้านนี้เราจะได้ค่อยๆแก้ไขปรับปรุงและยากนะวาสนาในแก้ไขยากความเคยชินอย่างที่เรียกว่าเป็นบุคลิกประจำตัวไปแล้วแต่ว่าบางอย่างมันก็เป็นโทษต่อเราเอง เราก็รู้ทันอย่างน้อยก็สติเกิดมาปัญญาก็มาสำรวจตรวจสอบตัวเองล้่เราก็จะได้แก้ไขตัวเองได้อันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งในการพัฒนาชีวิตนะเอาแล้วครับเดี๋ยวจะพูดเลยไปครับแล้วอย่างนี่คำถามของผมอยากผมเข้องใจ อ, อยู่าว่าอย่างบางคนเกิดมาเนี่ยมีเขามักจะพูดกับว่าถ้าที่ผมเคยได้ยินคือมักจะพูดว่าคนที่มีบุญมากกว่าอีกคนหนึ่งเพราะเกิดมา สบายกว่าอีกคนหนึ่งรหรือเกิดมาอยู่ในฐานะที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งรหรือเกิดมามีปัญญาไหมาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งด้อยปัญญาด้อยฐานหสภาพกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเขามีบุญน้อยกว่าอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเลยเกิดมาโอากาสไม่เท่าเทียมกันครับท่านครับครับก็พูดคือเป็นวิธีพูดแบบไทยถ้าเราจะใช้ให้ใกล้ความหมายแท้ก็ต้องใช้คําว่าผลบุญใช่ไหมใใคล้ายว่าเหมือนกับพูดทํำนองว่ามีบุญ ที่ทําไวในอดีตดีก็เลยได้รับผลดีของบุญนั้นไงอันนี้เรากำลังพูดถึงผลเหมือนกับว่าเราจะได้ตัดตอนว่าเอาละเออคนนี้เกิดมามีทุนดีมีสติปัญญาดีเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยหรือเกิดมาในถิ่นที่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะเอาละนี่เป็นผลบุญเก่า แต่ว่าสิ่งที่จะทําได้ต่อไปนี้ก็คือไม่ติดอยู่แค่นั้นเราจะได้ทุูตัวเหล่ า, า น, นี้เรามีทุนเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะรู้ในแง่ความอันใดประโยชน์ในแง่ความรู้ไงคนเราจะทําอะไรต่อไปต้องรู้ทุนเก่าของตัวเองนี่พอเรารู้ทุนของเราทีนี้เราวางแผนดีเลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วางแผนเตรียมการว่าทุนเรามีเท่านี้เช่นว่า ทุนบางอย่างเนี่ยเรามีน้อยกว่าเขาถ้าเทีเปรียบเทียบใช่ไหมเพื่อจุดหมายเดียวกันนั้นเราจะต้องออกแรงสิบเท่าของแต่คนนั้นสู้ไหมเนี่ยถ้าเอาตามหลักพุทธศาสนาสู้เพรางั้นใช่ไหมวางแผนได้แล้วเออเขาได้เปรียบเราโดยทุนเดิมนี่ทุนเดิมเขาได้เปรียบเราอย่างนี้เราต้องเอาด้านนี้เราต้องใช้พลังสิบเท่าเลย อ่ะอย่างงี้พุทธศาสนาท่านไม่ท้อแล้วอยางเกิดมาจนเงี้ยถ้าจนแล้วแหวเหล่าแย่แล้วเกิดมาอยากจนมีอะไรกน็นั่งจับเจา้าอย่างงี้ก็ซ้ําเติมตัวเองยังไหมฮะจบไม่ไปไหนหรอกเนี่ยนี่ถ้ารู้จักคิดมีโยนิสูมรติการอเออรงกระดกมาจนนี่โอ้จนนี่มันดีเหมือนกันนะเนะี่ยมันทําให้ต้องเพียรพยายามต้องดิ้นรนขนขวาย ไม่มีใครได้เปรียบกับกันแน่ชัดลงไปแล้วคนเกิดมันเนี่ยคนเกิดมารวยก็ดีเป็นโอกาสมีทุนดีถ้ารู้จักใช้ก็ไปริ้วเลยแต่บางคนไม่รู้จักใช้ทุนไม่รู้จักคิดใช่ไหมก็สยบลุ่มหลงมัวเมาเลยไม่เปลี่ยนพยายามไม่พัฒนาตนได้แต่เสพได้แต่มัวเมาลุ่มหลงอยู่กับความสุขสบายนั้นเลยไม่พัฒนาเลยถูกไหมแย่ yeah. ทีนี้ฝ่ายคนที่ยากจนคนแคนก็ไม่มัวจับเจ้าเนไม่มัวจะคลุ่นกังวลหรืออะไรเนี่ยตั้งใจว่าโอ้เรานี่มีทุนน้อยเราจะต้องใช้ความพยายามมากแต่ไอการที่ยากจนเนี่ยลำจะทำให้เราเนี่ยได้เข้มแข็งเจอปัญหาเยอะจะต้องคบคิดแก้ปัญหาพัฒนามด พัฒนาพฤติกรรมพัฒนาทักษะพัฒนาปัญญาในการคิดแก้ไขเหตุการณ์สถานาการณ์พัฒนาความเพียรในการทําการต่างๆให้สําเร็จใช่ไหมกลายเป็นว่าถ้าทําม่ได้สำเร็จนี่เก่งจริงๆคนที่จนที่อยู่ในสถานะทุกข์ลาบากเนี่ยถ้าทําสําเร็จนี่ต้องเก่งจริงๆยอดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทําได้สําเร็จก็แมมกว่าจะสําเร็จนี่พัฒนามาจึงบอกว่าเนี่ สุขทุกเนี่ยมันดีคนละอย่างคนที่สุขก็หมายความว่าคล่องสะดวกง่ายจะทำอะไรก็เป็นโอกาสรีบทำซะ <c oughs> แต่ถ้าใช้ผิดก็คือประมาทลุ่มหลงหมวมเมาสยกทีนี้ทุกเออแง่ไม่ดีก็แย่ลำบากไม่สบายใช่ไหมแล้วก็ทำให้จิตใจพลอยไม่สบายถ้าคิดไม่เป็นก็จบกัน แต่ว่าธิ้ธคิดเป็นก็กลายเป็นอย่างที่ว่าใช้เป็นไอ้บทแบบฝึกหัดเลยทุกก็คือแบบฝึกหัดที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ลราัไดไต้แบบฝึกหัดที่ยากที่สุดทีนี้แบบฝึกหัดที่ยิ่งยากก็ยิ่งได้มากถูกไหมเพราะนั้นเราจึงมีคติสำหรันักฝึกตนว่ายิ่งยากยิ่งได้มากอะไรมันยากฝ่าฟันไปได้นี่กว่าจะสําเร็จนี่ไดพัฒนาตัวเยอะเลยจิตใจก็เข้มแข็ง ปัญญาก็ใช้มากขบคิดแก้ปัญหาแล้วก็ทักษะพัฒนามากในการทําการในการที่จะรู้จักเข้าถึงสัมพันธ์กับผู้คนรู้จักพูดจาทาไงจะสําเร็จพัฒนาหมดทุกอย่างเลยอย่าไปท้อท่านั้นหละในพุทธศาสนาท่านไม่ให้ท้อเนี่ยก็เอานิ้กๆไม่รู้ท่านผมตอบท่านละอย่างตอบเลยนะฮะเนี่ยอย่าไปทเทอานเนี่เลย เออ